กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งโดยมีข้าพเจ้าพระภัยบูนอภิปุโนจากวัดป่าดอนไหลโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันเราอาศัยร่างกายของเรานี้ในการที่จะปฏิบัติธรรมในการที่จะฟังธรรมในการที่จะรู้ตัวถึงธรรมเพราะฉะนั้นร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้น่นคือตอนเนี้เราเหมือนกับถูกล็อกอยู่ในร่างกายของเรา อยู่ในการความเป็นมนุษย์อย่างนี้การที่เราถูกล็อกอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งนั่นคือลักษณะของความที่เป็นพบเป็นสถานที่ที่เราอยู่ในที่นี้คือเราอยู่ในร่างกายนี้คือร่างกายที่ความเป็นมนุษย์ของเราท่านฟังที่ได้ยินเสียงนี้อยู่ก็อาศัยร่างกายนี้ในการที่จะได้ยินเพราะฉะนั้นร่างกายที่เราอยู่อาศัยอยู่มาตั้งแต่เกิดออกจากคันมารดามีมารดาปิดาเป็แดนเกิดเนล่ขึ้นมาด้วยก็ ขนมข้าวข้าวต้มบ้างข้าวสวยบ้างขนมปังบ้างอาหารการกินทำให้ตัวเราใหญ่ขึ้นมาโตขึ้นมาอยู่อย่างนี้แล้วเราก็อาศัยร่างกายของเรานี้ในการที่จะมาได้ยินได้ฟังธรรมะความสุขก็มีบ้างความทุกข์ก็เจอบ้างนะกลากล่าวกันไปด้วยความเป็นมนดษวยอย่างนี้เพราะฉะนั้นร่างกายนี้จึงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สําคัญที่จะทําให้เราสามารถที่จะมารู้ธรรมะได้ พระเาได้เคตรัสถึงบุคคลที่มีอาภาณน้อยและมีธาตุไฟในร่างกายสม่ำเสมอพอประมาณไม่ร้อนเกินไม่เย็นเกินเป็นผู้ที่ควรที่จะทําความเปลี่ยนปราลบความเปลี่ยนอันนี้ไม่ได้ไหมายความว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอัดแอ ด, อ ด, อ ด, อดแจะไม่สามารถทําความเพี่ยนได้นะทําได้อยู่เพราะว่ามันมีองค์ประกอบไปเนินอีกนะเช่นความเป็นผู้ที่ไม่มีมารยาแตนะ่ไม่มีวาราซ่อนแฝงอันนี้ก็จะช่วยได้ คือถ้าร่างกายเราสบายดีนะ่ะมีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงอันนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันแต่ถ้าร่างกายของเราเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ อ, อย่างที่เราเจอมันก็จะมีความทุกข์มากวนมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยถ้าเราทําได้น่เราก็ควรจะรักษาให้มันดีให้มันไม่เจ็บไข้ให้มันมีความสบายพอสมควรนะ่ะท่าสีดินน้ําไฟลมอย่างไรก็ตามรูปกายนี้มันก็เป็นสิ่งที่ ขึ้นอยู่กับเหตุแต่บางทีวันดีคืนดีมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นแต่บางทีวันดีคืนดีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นก็ดีขึ้นหายไปอานจะสุดลงดีขึ้นมันก็เป็นอย่างนั้นในบางทีเราก็ควบคุมได้บ้างบางทีบางครั้งก็เป็นไปตามเรื่องของกรรมเน้นพยายามทําพยายามแก้เอาก็เป็นไปอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจังหวะที่มันดีเราก็มารู้ธรรมะพยายามทําจังหวะที่มันไม่ดี เราก็พยายามจะมารู้ธรรมะพยายามทําเพราะว่าไม่ว่าร่างกายของเราจะสบายดีหรือว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็สามารถที่จะมารู้ธรรมะได้นั่นแหละเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นในใจสิ่งเหล่านั้นคือธรรมะที่เราจะมารู้ได้เห็นได้เกิดขึ้นในใจและถ้าเราพยายามที่จะรักษาร่างกายเราให้ดีได้มันก็ดีแหละแน่นอนแต่มันก็จะไม่ได้อยู่ชั่ว น, นาตาปีเพราะนั้นที่พูดมาเนี่ยเพื่อให้ท่านฟังเข้าใจนะเข้าใจว่าร่างกายถ้าเรารักษาให้มันดีได้ เราควรทำถ้ามันจะเปลี่ยนแปลงไว้เป็นอย่างอื่นเราก็ควรใช้ประโยชน์ตรงนั้นเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่งามในกายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะรักษาร่างกายของเราให้ดีได้เราก็ควรทำเนี่ยหมายความว่าอะไรสิ่งอะไรที่มันจะเป็นไปเพื่อที่จะให้ร่างกายเราไม่สบายร่างกายเราไม่ดีแต่เราก็ควรเฉลีกยเลี่ยงผู้ชาเคยเปรียบเทียบกับงูพิษหนังงูพิษมีงูพิษอยู่สจําพวกหนังก็ต้องให้เขากินให้เขาอาบน้ํา เอาอาหารเอาของเสียของเขาไปทิ้งเอาอาหารแม่เขากินไห้เข้าที่พักให้หลับให้นอนตามเวลาในทีนี้งูเนี่ยบางทีมันก็ไว้ใจไม่ได้แต่บางทีอาจจะแหวกาัดเราทําให้เราได้รับอันตรายงูเนี่ยเปรียบเสมือนกับอท่าสติด น, น้ำใหล่ลมนั่นคือรูปกายของเราอันนี้พระอาจาเปรียบเทียบอไปว่าเราเนี่ยควรจะดูแลมันอย่างดีแต่แม้บางทีเราดูแลมันอย่างดีมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเพราะนั่นคือที่เราควรวทำนั่นคือการดูแลร่างกายของเรานี้อย่างดี ในช่วงนี้ก็เหมือนกันท่านบูฟังก็จะต้องรักษาสุขภาพเนื่องจากว่าเริ่มมีฝนตกบ้างอะไรบ้างอาจจะมีน้ําขังตามจุดนั้นจุดนี้แต่ไม่มียุงเกิดขึ้นในที่วัปดป่าดอไห่โศกนี่ก็เริ่มมียุงแล้วลพอฝนตกก็เริ่มมียุงทันทีตัวนี้เวลายุงที่มากัดเราเนี่ยท่านบูฟังก็อาจจะเคยโดนยุงกัดมาก่อนยุงกัดแล้วมันก็อาจจะนําเชื้อโรคเชื้ออะไรต่างๆม า, าตรงนั้นเราว่าไว้ก่อนยกไว้ก่อน แต่ที่แน่ๆอย่างหนึ่งคือคนที่โดนยุงกัดแล้วเนี่ยจะเกิดอาการคันคันบริเวณผิวหนังที่ถูกยุงกัดเนืที่เป็นอย่างนี้ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาค้นพบว่าเวลาที่ยุงเขาไม่เรียกว่ากัดหรอกนะเขาเรียกว่าเจาะจริงๆเราสับเทคนิคเนี่ยเขาควรจะเรียกว่ายุงเจานะเพราะมันเอาเข็มเจาะลงไปเข็มแทงลงไปนะไม่ควรจะเรียกกัดนะเพราะว่ากัดเนี่ยมเกือกินแต่ควรจะเรียกว่ายุงเจาะเพราะลักษณะของมันเนี่ย คือเอาเข็มเนะี่ยคือปากเนีมันเล็กๆเนี่ยทิ่มลงไปเราก็ดูดขึ้นมานะเป็นลักษณะเหมือนกับเอาหลอดดูดเพราะฉะนั้นควรจะเรียกว่ายุงเจาะหรือยุงแทงมากกว่าเนะี่ยสัเทคนิคควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างไรก็ตามเวลาที่ยุงมันเอาปากของมันเนี่ยที่มลงไปในผิวหนังของเราเล็กมากนะีรูดเลกนิดเดียวที่ทําให้ร่างกายของเรารู้สึกคันเนะี่ยผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ยรู้สึกคันเนี่ยเพราะว่ามันจะปล่อยสารที่ทําให้เลือดของเราเนี่ยมันไม่แข็งตัว นะเพื่อที่จะให้มันดูดได้ง่ายหน่อยปล่อยสารตรงนี้ก็คือน้ำลายของมันนั่นเองนะเพื่อที่จะให้เลือดมันเจือจางให้มีการละลายมันก็จะดูดเลือดของเราขึ้นไปได้นะสารที่มันปล่อยออกมานี้ในทางวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่ายูรูดินสารตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นสารประกอบที่ยุงมันสร้างขึ้นมานะพอมันถูกปล่อยมาในร่างกายของเราเนี่ยร่างกายของมนุษย์เนี่ยโดยปกติแตนะ่ถ้ามีสารแปลกปลอมอะไรต่างๆเข้ามามันก็จะมีการต้านทาน ก็เรียกว่าจะปล่อยสารที่ไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้ามาทำอันตรายในร่างกายของเราแต่ร่างกายของเราก็จะปล่อยสารอีกอันหนึ่งเนืเพื่อที่จะทาหน้าที่ยับยั้งนมีการสร้างระบบภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะต่อสู้กับเจ้าสิ่งแปลกปลอมตรงนั้นแต่ร่างกายก็จะปล่อยสารที่เรียกว่าฮิสตามินสารเคมีที่ร่างกายปล่อยออกมานี้เพื่อที่จะทำให้เจ้าโปรตีนของยุงเนี้ยที่มันเป็นสารที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายเนี้ยให้มันหายไปเพราะฉะนั้นตอนที่มันสู้กันอยู่ ระหว่างที่มันสู้กันอยู่ตาฝั่งแต่มันก็จะเกิดอาการระคายเคืองแั่เกิดอาการอักเสบที่บริเวณผิวหนังตรงนั้นทําให้ออกมาเป็นอาการคันทําให้ออกมาเป็นอาการบวมแดงเป็นตุ่มขึ้นมานนเราว่าร่างกายของเราขับสารออกมาเพื่อที่จะต่อสู้กับสารเคมีของยุงทีนี้พอเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายของเรานขับสารออกมาแล้วจัดการกับโปรตีนของยุงหมดเรียบร้อยสารเคมีของยุงไม่มีเหลืออยู่ในร่างกาย ไอ้อาการบวมแดงอาการการตรงนั้นก็จะหายไปอันนี้เป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับเราถ้ามฟังเนี่ยหลายๆท่านที่เคยโดนยุงกัดแม้ตัวข้าพเจ้าเองเวลาโดนยุงกัดก็คันเหมือนกันนต่คันบริเวณที่ถูกกัดในบริเวณที่ถูกกัดนั้นก็จะเป็นตุ่มบวมแดงออกมาแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะยุงเท่านั้ น, นแมลงอื่นๆก็เหมือนกันถ้ามากัดตัวเราเวลาที่มันมีสารเคมีหรือว่าสารประกอบอะไรที่ สัตว์หรือมแมลงประเภทนั้นปล่อยออกมาเนี่ยร่างกายของเราก็จะปล่อยสารที่ไปยับยัง้งสารที่เป็นสิ่งแปลกปลอมตรงนั้นอย่กระบวนการตรงนี้อย่างที่ว่าว่าจะทําให้เกิดอาการอักเสบเป็นคันเป็นแดงขึ้นมาแล้วยิ่งถ้าสารเคมีหรือสารประกอบของมแมลงชนิดนั้นที่มาปล่อยใส่ในผิวหนังของเราเนี่ยเป็นพิษเนี่ยอาการที่บวมแดงนี้ก็ยิ่งจะมากขึ้นอย่างบางคนที่โดนต่อพึ่งหรือว่ามแมลงอื่นๆที่มีพิษ มันก็ยิ่งทําให้แผลนั้นยิ่งบวมแดงมากขึ้นเอาแก้วน้ําลายของยุงธรรมดานะไม่ได้มีพิษไม่ได้เป็นอะไรแต่แว่าอาการแพ้การอักเสบนั้นเกิดขึ้นเพราะว่ากระบวนการยับยั้งของร่างกายของเราที่ปล่อยออกไปเวลาคนที่ถูกยุงกัดเนี่ยไปหาซื้อยาเพื่อที่จะมาทาแถ้าเป็นเภสัชกรที่มีประสบการณ์เขาจะถามคุณก่อนว่าคุณซื้อยาเนี่ยคุณไปทาก่อนยุงกัดหรือว่าหลังยุงกัดกันแนเขาจะถามคุณอย่างนี้เพราะว่าเวลาที่ก่อนที่ยุงจะกัด นั่นคืผิวหนังเวลาที่ของเราราบรๆเรียบๆสบายดีสบายดีเนี่ยเออมันไม่รู้สึกกันมันสบายๆอยู่ก็ต้องใช้ยาขนาดหนึ่งแต่เวลาที่ถูกยุงกัดแล้วมีความจ่มีความร้อนมีความคันก็ต้องใช้ยาอีกประเภทหนึ่งจะเป็นยาที่ไม่เหมือนกันที่พระพเจ้าเอาเรื่องของยุงคนที่ถูกยุงกัดเนี่ยมาเล่าให้ฟังนี่ไม่ใช่เพราะว่าต้องการสอนชีววิทยาหรือว่า สอนเรื่องสาธารณสุนทศกัณฐ์ูฟังนะอันนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ทําอยู่แล้วลมีเจ้าหน้าที่ที่เขาทําได้ดีกว่าข้าพเจ้าเยอะแยะอยู่แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ข้อมูลการรักษาหลังจากถูกยุงกัดหรือว่าการป้องกันยุงแต่ก็มีข้อมูลต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วอันนั้นไม่ใช่นาทีของข้าพเจ้าแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นธรรมะล้ว น, นๆเลยท่านฟังแต่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับธรรมะจริงๆเพราะว่าเวลาที่เราถูกยุงกัดเนี่ยผิวหนังของเรามีการรับรู้ที่ถูกเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เราอยู่เฉยๆก็รู้สึกคันไม่ว่าจะอยู่เปิดท้องแอร์เย็นสบายก็อย่างคันอยู่ในที่ร้อนๆอยู่ในที่ชื้นนก็อย่างคันในอยู่ที่ไหนก็คันอยู่ที่ไหนก็รู้สึกไม่สบายเพราะว่าถูกยุ่งกันอันนี้เหมือนกับจิตใจของเราจิตใจของเราที่ถูกแทงด้วยตัณหามีพลิกขอมันคืออวิชชาเนี่ยทำให้อยู่ที่ไหนก็ไม่สบายรับรู้เสียงก็ไม่สบายได้ดมกลิ่นก็ไม่สบายเห็นรูปก็ไม่สบาย นอนหลับบนเตียงนุ่มๆบางทีมันก็พลิกไปพลิกมาด้วยความที่ไม่สบายแตไม่มีราคะโทสะโมหะเสียดแทงเผารนกลุ่มรุมอยู่ในจิตแต่ทำให้การรับรู้ของจิตแทนที่ว่าจะรับรู้ไอ้ผัสชาที่มากระทบอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาของมันนิสุขก็มีทุกข์ก็มีมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเป็นแค่ธรรมชาติอย่างหนึง่งแต่ถ้าจิตของเราเนี่ยมีราคะโทสะหมหะกลุ่มรุมนะมันก็จะทําให้การรับรู้ของเราเนี่ย ผิดแปลกแตกต่างไปเพี้ยนไปเนี่ยเป็นทุกข์ไปในทั้งทั้งที่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นในไอเจ้าราคาโทสะโมหะที่เป็นผลมาจากการที่กระทบของสิ่งภายนอกในเวลามีสิ่งภายนอกมากระทบปุ๊บเนี่มีราคาโทสะโมหะเกิดขึ้นในใจของเราเมื่อไหร่ในใจเราก็จะวันไวเปลี่ยนแปลงในอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขเหมือนคนที่ถูกยุงกัดถูกยุงกัดแล้วผิวหนังที่สบายสบายดีมันก็กลายเป็นคันไป อาการที่ดีๆอุณหภูมิที่เหมาะสมมันก็กลายเป็นคันไปเหมือนกันคนที่มีตัณหาวิชามากมีพิษมากอยู่ในใจและมีราคะโทสะโมหะมากเนี่ยถ้าเผื่อว่ามีอะไรมากระทบเขาพูดดีๆก็หาว่าเขาประจบสอบพอแตนะ่พอเขาพูดความจริงให้ข้อมูลที่ถูกต้องก็หาว่าเขากระแทกแดกดันนะมันเป็นอย่างนั้นคนเราบางทีมันเป็นอย่างนี้จิตใจมีพิษของเจ้าตัณหาอวิชาราคะโทสะโมหะเผาร่นอยู่ แต่มีอะไรมากระทบมันก็เครียดคลาดไปหมดบางทีแสดงทําให้ฟัง3ามสี่คำนก็หาว่าน้อยเกินไปบางทีแสดงให้มากพูดเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงก็ว่ามากเกินไปนะความพอดีมันไม่มีนั้นเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าสิ่งภายนอกมากระทบไอ้ความไม่สบายเวลาที่ยุงกัดเนี่ยไม่เกิดที่ผิวของเราแตไม่เกิดที่ตัวของคนที่โดนกัดไอ้ความไม่สบายใจที่เกิดที่ใจของเราเวลาที่จิตเรามีราคะโทสะโมหะเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเรา มันไม่ได้เกิดขึ้นจากภาษาภายนอกเพราะฉะเวลาที่จิตใจของเรามีความไม่สบายเหมือนกับเวลาที่ถูกยุงกัดเนี่ยเพราะนเวลาที่เราจะใส่ยาเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนนะนะว่าเหมือนกับคนที่ยุงกัดเนี่ยก่อนหรือหลังยุงกัดกันแน่แต่เพราะว่าถ้าก่อนยุงกัดคุณต้องทายาป้องกันเนี่ยไม่ให้ยุงมากัดถูกไหมก็เป็นยาประเภทหนึ่งหลังยุงกัดคุณก็ต้องทายาเพื่อที่จะเอาพิษเอาอาการคันนี้ให้มันสบายไปก็จะต่างยากัน เช่นเดียวกันคนที่ถูกราคาโทสะโมหนะแทรกซึมนะก็จะต้องเป็นเหมือนกับลักษณะของคนที่ถูกกัดแล้วทายาประเภทนั้นนะคนที่ราคาโทสะโมหะยังไม่เกิดขึ้นนะก็ต้องทายาก่อนนะที่จะให้ราคาโทสะโมหะมันเกิดขึ้นนะแต่ที่มันเกิดขึ้นได้เ่ราะแน่นอนแหละว่าตัณหาวิชาเรายังมีอยู่ถ้าเรายังมีตัณหาวิชาอยู่ในเวลามีภาษาบังคับทบมันอาจจะเหมือนกับปฏิกิริยาที่ร่างกายจะทำเวลาที่ ถูกยุงมากัด น, นั่นคือมันก็จะมีราคาโทสะโมหะเกิดขึ้นได้เวลาที่มีภาษาที่น่าพอใจไม่พอใจหรือภาษาที่เราไม่เข้าใจอยู่มากระตบซึ่งยาสองขนาดเนี่ยจะไม่เหมือนกันนี่ครับชาวกำลังพูดถึงเรื่องธรรมะเพื่อจะเปรียบเทียบเป็นคำฝังฟังอาการที่เร า, าก่อนถูกยุงกัด น, นั่นคือขนาดที่ถ้าเรายังไม่ได้เป็นพระอาหารหนันต์ยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ก็คือยังมีตัณหา ย, ยังมีอวิชชาอยู่นั่นแต่แต่ว่าบางทีบางครั้ง นั่นจิตใจของเราแบบสบายๆเนี่ยไม่ได้มีราคโราโทสะโมห oh ะกลุ่มรุมเวลาชอบอะไรพอใจอะไรก็ไม่ได้ขนาดลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินยินดีไปขนาดนั้นแล้วก็ในขณะนั้นก็ไม่ใช่ว่าโกรธเกลียดเครียดแค้นมีความประทุษร้ายน่ยแล้วก็ไม่ใช่ว่าลุ่มหลงมัวเมานี่ยก็คือสบายๆอยู่ในระดับหนึ่งนี่ยก็คือราคโราโทสะโมห oh ะเบาบางนี่ยไม่ได้มีราคโราโทสะโมห oh ะกล้า อันนี้ก็เปรียบเทียบกับเวลาที่ก่อนที่เราจะถูกยุงกัดนผิวหนังของเราก่อนที่จะถูกยุงกัดก็สบายๆอยู่ธรรมดาอยู่นไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่นคนที่เป็นแบบนี้คุณต้องระวังเวลาที่มีอะไรมากระทบนบไม่ให้ราคาโทสะโมะเกิดขึ้นอันนี้ต้องใช้ยาขนาดหนึ่งแล้วคนที่ถ้ามีอะไรมากระทบปุ๊บแหมันจี้จัดเปลี่ยงเป่าเกิดขึ้นนมีอาการไม่พอใจมีอาการหืมหืมอยู่ในใจ แตบางทีก็รู้สึกลุ่มหลงแบบตาเยิม้มอยู่ในใจนะนี่กําลังพูดถึงเรื่องในใจแต่อันนี้คือลักษณะของคนที่แบบว่าถูกยุงกันแล้วนืใจิตใจมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นแล้วอันเป็นผลของปัจจัที่มากระทบนะเพราะว่ามันยังมีรากมีเชื้อ ข, ของมันนั่นคือตนหาวิชาอยู่ในนั้นคนที่มีราคะโทสะโมหะแขกร่าก็ต้องเป็นยาอีกขนาดนึ่งยา2ขนาดนี้ต่างกันอย่างไร ก็คือก่อนที่เราจะมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นกลุ่มรุมจิตเนี่ยเราต้องรู้จักป้องกันแนววิธีการป้องกันนั้นก็คือการสรํารวมอินทรีย์นิพญยาขนาดที่หนึ่งแนวนินนยามขนาดที่1ที่พูดถึงการสรํารวมอินทรีย์นั้นก็นนคือเราเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกริมรสด้วยริ้นสัมผัสพุถภาัด้วยกายเนี่ยจะต้องป้องกันไม่ให้อกุสน์มันเข้ามาโดยการที่ไม่ถือเอาทั้งในลักษณะที่เป็นการแยกส่วนส่วน เนี่ยเช่นว่างามหรือว่าไม่งามนะ่ยไม่ถือเอาในลักษณะที่เป็นการรวบถือเอาทั้งหมดโดยประสงค์นั้นก็เพื่อที่จะไม่ให้อกุศลธรรมมันเข้ามาเนะ่ยบางทีเราเห็นโดยภาพรวมสวยหรือไม่สวยงามหรือไม่งามโดยภาพรวมอันนี้เราก็ต้องป้องกันอย่าให้เห็นอย่างนั้นหรือบางทีเราเห็นแยกเป็นส่วนๆเนะีเช่นอาหารจานหนึ่งมาโอ้โหดูโดยรวมดีเหลือเกินเนะ่ยอันนี้เราก็อยากให้มีราคคโทสามโอเกิดขึ้นเนะ่ต้องรู้จักสำรวจมินสี หรือว่าอาหารอีกจานหนึ่งมาแม้ส่วนผสมนี้ส่วนประกอบนี้ก็ดีอันนี้ก็ดูดีใ น, นยาเป็นส่วนๆนั้นนั้นก็อย่าให้ความงามหรือความรู้สึกว่าไม่งามเกิดขึ้ น, น, นเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาโทสะโมหะเกิดขึ้นอันนี้คือยาข้อที่หนึ่งในขนานแรกนั่นคือก่อนยุ่งกัดยาตัวที่สองในขนานแรกนี้นนในขนานที่ว่าก่อนที่คุณจะตกยุ่งกัดเนี่ยก่อนที่ราคาโทสะโมหะจะกลุ่มรุมเล่นงาน ใ, นในใจของคุณเนี่ย คุณจะต้องรู้จักใช้ยาขนาดที่สองยาขนาดที่2ในกลุ่มของการที่ป้องกันก่อนที่ราค่าโทสะโมจะเกิดขึ้นก็คือการที่รู้จักรักษาสมาธินี้ไว้ในการที่เรารู้จักรักษาจิตของเราให้มีสมาธิอยู่อย่างเต็มที่อยู่มากบ้างก็ตามน้อยก็ตามในรักษาสมาธิเนี่ยให้มันมีคือความที่จิตเป็นอรมั์เดียวเพราะจเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยมันจะไม่ไปเกลือนกล้วนในภาษาที่มากระทบพอไม่เกลือกกล้วในภาษาที่มากระทบปุ๊บ ใจนั้นก็จะป้องกันราคาโทสะหมหะที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากรากเง้าของมันคือตระหนาววิชาไดน้นี่คือป้องกันป้องกันก่อนที่เราจะถูกราคาโทสะหมวะกลุ่มรุม น, นี่คืออย่าสองขดานแรกแต่ที่บูตถึงว่าการรู้จักสํารมอินสีและการที่รู้จัก ร, รักษาสมาธินิมิตในจิตของเราเอาไว้สําหรับบุคคลที่ถูกราคาโทสะหมหะกลุ่มรุมแล้วนั่นก็เปรียบเหมือนคนที่ถูกยุงกัดแล้วมันคันยิ่ง ย, ย, ย, ยิอยู่ มันทั้งแดงทั้งแสบทั้งคันด้วยไหนะยิ่งเกาก็ยิ่งมันยิ่งมันก็ยิ่งคันยิ่งคันก็ยิ่งเกาไหนะแพ้ก็ยิ่งเปิดต้องอย่ากเกา่าการเกาไม่ใช่ถางแก่ไหนเะกามันเกาที่ผิวหนะมันเกาที่ปัสสะสร้างปัสสาใหม่อีกไหนะก็เรเบส ม, มันคนที่มีราคาโทรศัท์หมวกกลุ่มรุมแล้วเนะ่ยพยายามที่จะไปแก้ภายนอกไหนะแก้สิ่งภายนอกแก้ไม่ได้เป็นปัสสาวหมาอีกไหนะแก้ไปเอาเป็นเรื่องใมาอีกปัสสาวะใหม่เกิดขึ้นอีกไหนก็ยิ่งมีความถูกอีกเหมือนกับคนที่ยิ่่งเกา แปลที่คันเนื่องจากการที่ถูกยุงกัดตรงนั้นแต่ไม่ใช่ข่าวเท่านัฟังยาขนานสําหรับคนที่ถูกราคาโทสะโมะเล่นงานแล้วยาขนานสําหรับคนที่ถูกยุงกัดแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ก็มีอยู่สองอย่างด้วยกันในอย่างแรกคือเราต้องรู้จักละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นราคาโทสะโมะเป็นอกุศลธรมรมเท่านังนฟัเราต้องรู้จักละมันนต่ตัณหาวิชาที่เป็นรากของมันในที่มันหนานแน่นมากเนี่ยเวลามีอะไรมาโดนนิดนึงปุ๊บมัน ปรีตออกมาเลยราคะโทสะโมหะเนี่ยแต่เวลามันปรีตออกมาชอบก็ลุ่มหลงเพลิดเพลินไปนต่นไม่ชอบก็รู้สึกขยะกขยงเกลียดชังประตุส้ายนั่นเป็นอย่างนั้นไปก็ต้องรู้จักละเจะะ้าอกุศลธรรมเหล่านั้นนระให้ด่วนละให้เร็วลระให้ทันทีระเดี๋ยวนั้น น, นทำทันทีความคิดทางกา ร, รพยาบามเปียบดเบียนที่มันผันโตขึ้นมาจากราคาโทสะโมห oh ะที่มันมีเชือ้อคือตระหนาวิชาแต่ว่าถ้าเรายังมีเชือ้อคือตระหนาววิชาอยู่ แต่มีอะไรมีอะไมันกระทบจะเกิดราคาโทสะโมหะเกิดขึ้นได้เวลาราคาโทสะโมหะเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็จะมาเป็นความคิดทางการปฏิบัติเปลี่ยนเราต้องลักความจิตตรงนี้เสียนะเพราะมันเป็นผลจากการคันแล้วเป็นผลจากเชื่ออะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจของเราแต่เหมือนการพอยุงกัดแล้วมีไอ้เจ้าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเราต้องรู้จักยับยั้งปฏิกิริยานั้นเอาสิ่งที่เป็นสารแปลกปลอมที่ไม่ใช่อยู่ในร่างกายของเราออกไป เอาสิ่งที่เป็นสารแปลปลอมที่ไม่ได้อยู่ในจิตของเราออกไปเอาสนิมออกไปจากใจนี่คือการละตรงนั้นยาตัวที่2ที่เราต้องใช้ในขณะที่เราถูกยุ ng กัดแล้วในขณะที่เราถูกราคาโทรซาโม่กลุ่มรุมอยู่แล้วเนี่ยก็การที่จะต้องทํากุศลธรรมให้เกิดขึ้นในการพัฒนาให้มีเชื้อที่ดีมีสิ่งที่เป็นกุศละสร้างโปรตีนออกมาเพื่อที่จะขับดันสารที่แปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกาย ยิ่งถ้าเรามีสารที่จะกําจัดสิ่งที่เป็นอคุโสรธรรมได้เร็วเท่าไหร่อาการคันอาการแดงอาการบวมนั่นก็จะหายไปเร็วเท่านั้นบางคนมีประสิทธิภาพในการที่จะขับดันหรือว่าทําลายเจ้าโปรโตีนที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายอย่างดีอย่างเร็วเนี่ยอาการคันก็หายไปเร็วแต่เพราะฉะนั้นไอ้น้ำดีที่เราจะต้องใส่เข้าไปเนี่ยก็คือเรื่องของการพัฒนาการพรวนาเอาของดีๆใส่เข้าไปนั่นคือการทําโพชงคือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ดำให้เกิดขึ้น นะองค์ธรรมเปการตรัสรู้ธรรมนั่นะก็มีสตนะิมีธรรมะวิจัยการใคร่ครวนให้เห็นธรรมะในสิ่งนั้นนะการมีปีติการทําความเพียรการมีสมาธิการความสงบระงับเรื่องของอุบเบกขาแนะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในจิตมันจะสามารถขับดันสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมออกไปไดนะ้รูปแบบตรงนี้ทำฝั่งในะัยา4ขนานที่แบ่งเป็น2ส่วนแตนะ่2ส่ว น, ส, วนส่วนแรกนั่นะคือก่อนที่คุณจะถูกยุงกัด ก่อนที่คุณจะมีราคาโทสะโมหะมากคือทุกคนที่ยังไม่เป็นพระอรันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดราคาโทสะโมหะขึ้นได้แล้วก็ตั้งอยู่กลุ่มรุมในจิตถูกไหมเอ่อแต่ว่าพระอรันเนี่ยเวลามีราคาโทสะโมหะเกิดขึ้นแล้วน่ะมีสติคุมเอาไว้น่ะไม่ให้ราคาโทสะโมหะเหล่านั้นมากลุ่มรุมจิตอยู่เพราะฉะนั้นก่อนที่ราคาโทสะโมหะจะเกิดขึ้นนั่นคือถ้าเปรียบเทียบในที่นี้ก็คือเหมือนก่อนการที่เราจะถูกยุงกัดนั่นต้องรู้จักป้องกันจริงขงเรา ในโดยการที่ให้จิตเรา น, นั้นมีสมาธิอยู่ในใจแต่นะมีสมาธิจะเป็นสมาธิที่เกิดจากการกระทําใดกระทําหนึ่งคุณอาจจะใช้ลมหายใจก็ได้คุณอาจจะใช้การระลึกถึงพระชจ้าก็ได้นั้นตั้งสติขึ้นนะั่รักษาสมาธิที่มีอยู่ในรูปแบบต่างๆแต่นะไม่ว่าจะเป็นอริยบทใดๆไม่ว่าในขณะที่คุณทําการงานใดๆก็ตามนั่นนะรักษาสมาธินี้เอาไปนี่คือข้อที่1นึ่งอย่างข้อหนึ่ ง, ข, งนะข้อถัดมาคือการที่เราจักสมรู้มินทรีย์ การสำรวมินทรีย์ปิดกั้นมีสติรักษาไม่ให้เจ้าอกุศลธรรมเข้ามาในใจอันนี้จะเป็นยาขนานที่สองที่เพื่อที่จะก่อนที่ยุงจะกัดเราก่อนที่จะมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นเพื่อให้ใจของเรานั้นสบายแต่ย้ายขนานที่สามที่ใช้หลังจากที่ถูกยุงกัดกับเบลฟ์เสมอเวลาที่เรามีความไม่สบายใจมีราคะโทสะโมหะกลุ่มรวมละคนที่มีราคะโทสะโมหะแก่กล้าเก็จะต้องรู้จักเอาอกุศลธรรมนั้นออกไปให้ด่วน ออกไปให้เร็วรู้จักในการที่จะละยับยั้งหยุดความคิดที่ไม่ดีเอาความคิดที่ไม่ดีนออกไปจากใจเสียนี่คือข้อที่สามเป็นขนานที่ใช้หลังจากที่มีราคาตัวสามว่ากลุ่มรุมแล้วมีอากุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วระยะขนานที่สี่ที่ใช้ในกรณีเดียวกันคือเราต้องเอาน้ําดีเข้าไปเราต้องเอาสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะมาผลักดันสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในใจของเรา เราสร้างสารประกอบที่ดีๆเพื่อที่จะขับดันสิ่งที่แปลกปลอมที่อยู่ในใจของเราสาร ด, ดีสิ่งดีๆตรงนี้ก็คือเรื่องของโภชชงสียาตัวนี้ทั้งฝังก็คือไล่มาตั้งแต่รู้จักการปิดกัน้นอินทรีย์นั่นก็คือการที่ระวังไม่ให้อกุสุลธรรมภายนอกเข้ามาอย่างที่2คือการรู้จัก ร, รักษาสมาธินีไไ้ไว้นั่นคือการรู้จัก ร, รักษากุศลธรรมที่อยู่ในใจของเรายาขนาดที่3คือการละเจ้าอากุสุลธรรมออกไปจากใจของเรา และความคิดในทางการพยาบาลเปลียนเบียนคือการละอคุโสธรรมออกไปจากใจของเราอย่างขนาดที่สี่นที่พูดถึงการพัฒนาทํากุศลธรรมใหม่ให้เกิดขึ้นเนี่ยคือการเจริญโพชฌงเนี่ยคือการทํากุศลธรรมใหม่ให้เกิดขึ้นนั่นเองและ4อย่างนี้พูดง่ายๆก็คือสัมมาวยามะนั่นเองท่านผู้ฟังมีการทําจริงแน่วแน่จริงมีการป้องกันอคุโสธรรมในภายนอกคือมีการทําจริงแน่วแน่จริงในการที่จะเอาอคุโสธรรมในใจให้ออกไป มีการทำจริงแน่วแน่จริงในการที่จะป Russians, people, cookies, rum, kind of pues nope ้องกันไม่ให้อ mm. คูโสรธรรมภายนอกมันเข้ามามีการทำจริงแน่วแน่จริงในการที่จะให้กุศลธรรมที่อยู่ในใจของเราเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นมีการทำจริงแน่วแน่จริงในการที่จะเอากุศลธรรมใหม่ๆเนี่ยที่อยู่ข้างนอกที่เรายังไม่มีเนี่ยพัฒนาให้เกิดมีขึ้นนั่นคือการทำสัมมาวายามาหนึ่งนั้นเราเอาสัมมาวายามะมาแบ่งใช้ในลักษณะที่ถ้าเราอยู่สบายๆอยู่ คุณพัฒนาเลยพัฒนาความดีความงามใหม่ๆให้เกิดขึ้นแล้วยาของพรนะพุทธเจ้านท่านฟังดีกว่าด้วยซ้ำคือข้อจํากัดการบ่งชใช้เนี่ยไม่มีแต่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากแต่แม้ขณะที่เรามีราคาโทสะโมหะกลุ่มรุมอยู่แล้วเนี่ยคุณก็พยายามจะรักษาสมาธินิมิต ท, ที่เกิดขึ้นมีน้อยน้นิดนึงก็พยายามรักษาตรงนั้นได้หรือแม้ในขณะที่คุณไม่มีราคะโทสะโมหะอยู่แต่คุณจะเจริญโพชฌงคุณก็ทําได้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากเพราะว่าสัมมาวายามะเนี่ย คุณควรจะต้องมีแม้ในขณะที่มีราคาโทสะโมหะก็ตามแต่ไม่มีราคาโทสะโมหะก็ตามคือการพัฒนาโพชฌงให้เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้จําเป็นจะต้องมาใช้เฉพาะตอนที่เรามีราคาโทสะโมหะแล้วเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นแต่ตอนที่เราจิตใจเราสบายๆก็ได้แต่เพราะการรักษาสมาธินิมิตให้เกิดขึ้นเนี่ยให้มีอยู่เนี่ยอ้าก็เป็นการเจริญโพชฌงไปในตัวตหรือแม้แต่ตอนที่เรามีราคาโทสะโมหะกลุ่มรุมอยู่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สมรมินทรีได้ เนื่องากว่าการสำรวมมินรีนั้นก็คือป้องกันไม่ให้เจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมภายนอกเข้ามาอีกแม้ตอนที่เรามีราคาโตสะมหากลุ่มรุมอยู่เราก็สามารถที่จะป้องกันอากุศลธรธรมภายนอกมีการสรํารวมอินทรีย์ได้คื อ, อยาทาก่อนถูกยุงกัดบางอย่างเนี่ยเอามาทาแผลที่ถูกยุงกัดไม่ได้คือเอามาทาเพื่อป้องกันยุงใหม่มากัดเนี่ยมันอาจจะทําให้แผลนั้นมีอาการแสบยิ่งไม่ดีเขาก็จะมีข้อจํากัดว่า ยาทากันยุงก่อนยุงกัดเนี่ยจะเอามาทาบริเวณที่แผลยุงกัดไม่ได้ก็จะมีข้อจํำกัดการบ่งใช้อย่างนี้แต่ในยาของพุทธเจ้านั้นข้อจํากัดการบ่งใช้นั้นไม่มีะสามารถใช้ได้ตลอดเพราะมันคือสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทั้งสิ้นเวลาเราทําแล้วเนี่ยเราป้องกันอกุศลป้องกันอกุศลแล้วก็เป็นทางให้กุศลธรรมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสัมมาวยามาที่เรามาเจริญเพื่อให้จิตของเราเป็นกุศลนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เราควรทำ นะทำได้จากการที่เรามีสติใ น, นเน้นน้ำฝังให้เราตั้งสติเอาไว้แนละรักษาสมาธินิมิตที่เกิดขึ้นในใจของเรามีน้อยก็ตามมากก็ตามนะรู้จักสํำรวมอิ e, นทรีเซ่ป้องกันสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมหมายให้มันเข้ามารู้จักในการที่จะพัฒนากุศลธรรมที่อยู่ในจิตของเราให้เกิดขึนนะ้นไหนมีดีแล้วเราทําให้โตขึ้นเจริญขึ้นอันไหนที่เรายังไม่มีเอาหามาใส่ทําให้ดีทําไม่ได้เดี๋ยววันนี้ข้าพเจ้าพระภัยบุญอภิปุนโนจากวัดป่าอานัยโศ ก็ขอลาไปก่อนจริวปัน